ผมจะไม่ได้ไปฉันในงานของหลวงพ่อสดวันเกิดของหลวงพ่อสดวัดป่าบ้านเพิ่มนะลกูกหลานทั้งหลายที่เห็นหลวงพ่อใส่แว่นตาดําฮะเพราะว่าเมื่อเช้านี่หลวงพ่อก็ใช้แว่นตาขาวไปบินทาบาทกลัวศรัทธาญาติโยมโลกูกหลานหมาชาวบ้านจะแตกบ้านก็เลยใส่แว่นตาขาวไป <laughs> แต่ตาไม่จริงเขาให้ใช้แว่นตาดำเพราะมันจะได้ปกป้องสีแสงถ้าแสงตาจ้าเข้าไปในตามากเกินไปทําให้ตาที่ทําเลนใหม่ทําให้เสียหรือเป็นอักเสบได้อันนี้เขาหมอเขาแนะนําแต่คิดว่าเมื่อเช้าตอนเช้าแดดยังไม่จ้าหลวงพ่อก็เลยใส่แว่นตาขาวไปเพื่อไม่ให้ลูกหลาน มาชาวบ้านแดกตื่นฮะแต่พอมาถึงวัดหลวงพ่อก็ใส่แว่นตาดำอย่างพวกลูกหลานได้เห็นหลวงพ่อลงไปวันที่14พอไปงานพระราชทานเพลิงศพของท่านเจ้าคุณรองเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรเจ้าคุณอุดรเจ้าคุณราชบุตาจาย์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกรอนท่านอายุ90ปีท่านกปีกว่าท่านก็มรณะนศแต่ก็ได้พระสทานเพลิงสรีระสังขารของท่านเมื่อวันที่14มิถุนา57หลวงพ่อได้ไปร่วมงานงานวันนั้นก็รู้สึกว่า ต, ตัวของท่านเองได้ไป ป่วยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินตึกที่หลวงพ่อไปสร้างน่ยตึกสมเด็จญาชั้นที่สิบที่ว่าหอภิบาลสงหลวงปู่มั่นท่านไปป่วยทั้ง4ปีกว่าท่านไปนอนพักที่นั่นจากนั้นท่านก็ได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ลูกหาว่าจะถุกปัจจัยที่ได้มาที่ท่านป่วยขอให้มอบให้โรงพยาบาลศรีนคริน แต่ลูกศิษย์ลูกหาขานน่าจะมอบเป็นจิตจาลักษณะถ้าจะมอบให้ดูที่นั่นเลยก็แล้วแล้วไปควรจะเป็นจิตจาลักษณะคือท่านมรรณภาพแล้วก็เมื่อจัดงานศพของท่านวันที่จะพระราชทานเพลิงศพก็ได้รวบรวม จ, รจิตัจปัจถวายให้กับ หอพิบาลสงหลวงปู่มั่นกับโรงพยาบาลนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นประธานประธานโมนิเทหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นพระฤาโตหลวงพ่อก็เข้าไปรับแทนกับคณะกรรมการท่านจุคุณราชเจ้าคณะจังหวัดก็เป็นตัวแทนทางฝ่ายมอบหลวงพ่อเองก็เป็นตัวแทนทางฝ่ายรับท่านก็ได้ถวาย ในหน้าเมนของหลวงปู่ท่านเจ้าคุณราษฎร์วุธาจารย์เป็นเงินหนึ่งล้านบาทแล้พ่อก็รับปลรับเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็ได้มอบให้กับท่านคณะบดีโรงพยาบาลศรีนครินพร้อมกับรองคณะบดีกับคณะแพทย์เศศาสตร์มีอาจา ร, รย์หมอวนเทียนมารับ คณะแพทย์ก็มากหลายท่านอยู่หลวงพ่อก็ได้มอบให้ไปดำเนินเอาเข้าบูลนิทิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นต่อไปวันในวันนั้นวันที่สิบสี่จากนั้นหลวงพ่อก็ได้เดินทางหลวงไปกรุงเทพไ ป, ไปพักที่สวนแจ้งธรรมพักดึกดื่นพอสมควรพอพุอ่งนี้เช้าก็ไปฉันที่จิตโภชนาปัก วันครอบรอบของคุณหลวงคุณหลวงที่เคยมาวัดเราทีปูนอ้วนครอบรอบปีตั้งมรณะวันที่สเขาจัดวันที่14เพราะว่าความพร้อมพอกรดนไปวันที่14บ่คณะศรัทธทาญาติโยมในวันนั้นโอ้ล้นหลามจนหาที่จะจอดรถจะไม่ได้อดมากจริงๆเพราะบริวาร คนรู้จักมักคุ้นท่านมากคนก็ไปในงานครอบรอบวันมรณะของคุณหลวงจากนั้นหลวงพ่อก็ได้กลับวัดจากนั้นก็ได้ไปหาหมออำเภอบ้านแพ้วจังหวัดคนครปฐมหลวงพ่อก็จําไม่ได้แต่ไปบ้านแพ้วไปตรวจไปตรวจแล้วก็หมอก็มีคล้ายๆว่าเป็นหมอทางรัฐบาลเขาก็ทําได้ในระดับหนึ แต่ใ น, นเขาก็แนะนำมาทางโรงพยาบาลสุขุมวิทย์หมอตาโรงพยาบาลสุขุมวิทอาจารย์หมอปรินเป็นผู้มีชื่อเสียงในยุคสมัยนี้หลวงพ่อก็เข้าไปไปตรวจรพอไปตรวจแล้วก็ทางโยมของเราเสียต้อมของเราก็บอกกับหมอปรินบอกว่าหลวงพ่ออยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัด อยู่ในที่กันดานอยู่ชนบทกว่าจะเข้ามาอุดรกว่าจะมาถึงกรุงเทพได้ใช้เวลานานเพราะนั้นอยากจะใช้เลนที่ดีที่สุดที่เอามาใช้ในงานเพื่อไม่ให้มีปัญหาแหมองใกล้มองไกลได้ไหมทีแรกเขาก็จะเอาเลนธรรมดาให้เดนแบบใส่เข้าไปข้างหนึ่งสักก่อนแล้ววันต่อไปมาอีกข้างที่2พอ เขาได้ยินอย่างนั้นเขาเลยเอาได้เลยใส่ทั้งสองข้างพร้อมกันเลยเขาก็เลยใส่ทั้งสองข้างพร้อมกันแต่เราก็ไม่รู้ต้นราคาเท่าไหร่แต่ผลที่สุดเขาก็บอกว่าราคาเลนตาของหลวงพ่อเนี่ยหกหมื่นหกหนเพันข้างละนะข้างละหกหม0่นเ การรวมแล้วก็เป็นแสนกว่าบาททั้งสองข้างจากนั้นเขาก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปสวนแสงธรรมพอวันรุ่งขึ้นให้มาถึง16นาฬิกาเขารับมามาถึง16นาฬิกาเขาก็มาหยอดตาเลยรตหยอดตาถึงเกือบ6โมงเกือบสองชั่วโมงอ่ะพอ มนตาเปิดเต็มที่เขาก็เลยขึ้นไปห้องผ่าตัดอพอผ่าตัดเ็าใช้เวลาข้างแล้วประมาณหลวงพ่อคิดว่าหน้าประมาณข้างได้10นาทีนะเร็วนะเอเขาทำเขาเปลี่ยนเลนแบบที่ว่าไม่ต้องใส่แว่นต่อไปแล้วก็ใช้ประมาณที่สิบสปีพอเสร็จแล้วเขาก็ให้ออกมาพักทางโยม ก็เลยเช่าห้องให้พักผ่อนในโรงพยาบาลห้องแอดมิด d อ i แอดมิดก็แพงนะถูกรลานนะประมาณ 7,000 พบาทแต่นอนไม่ตลอดคืน น, ะนอนประมาณทักสีทุ่มแต่เขาก็แอดมิดทั้งคืนนนะหะเขาไปนอนก็ไม่มีคนนะว่างๆตลอดหลวพ่อเขาไปพักที่นั่นแล้วก็หยอดตา 2-3 สามครั้ง เสร็จแล้วหมอเขลงลงมาตรวจประมาณสีทุ่มลงมาตรวจแล้วก็บอกว่าอยู่ในสภาพปกติไม่มีอะไรดีคันดีเขาก็ให้กลับวัดสวนแสงธรรมแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปในชุมชนกลุ่มใหญ่เขากลัวมากก็คือติดเชื้อติดเชื้อถ้าเป็นไปได้ก็ให้พักอยู่แบบเงียบๆสักก่อน อย่างน้อย 3-7 ถึงวันไม่ให้พบกับคู่คนไปพักสะกอนเขาก็พูดอย่างนั้นอ่ะแต่อย่างอื่นเขาไม่กลัวน้ำาน่เขาไม่กลัวถูกน้ำาน่เขาไม่กลั ว, ลวแต่กลัวน้ำที่มีเชื้อเชื้อโรคเพราะนั้นเขาจึงให้ล้างหน้านด้วยน้ำเกลือเอาน้ำเกลือสำลีเช็ดถ้านั่นก็น้ำต้มที่มันสุกแล้ว ล้างม AH ือด้วยสบู่ทำความสะอาดก็กลัวที่สุดก็คือเชื้อโรคเชื้อที่จะเข้าไปในตาถ้าเชื้อเข้าไปในตาแล้วก็มีปัญหาตรวงพ่อแต่การดูแลรักษานั้นเขาก็จะพูดกับหมอสุวัตที่เป็นญาติของคุณพัฒที่เป็นหมอตาอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูหมอคนนี้ดูแล รักษาเพราะเราจะเดินทางลงกรุงเทพมันไกลให้หมอสูวัดเนียช่วยดูแลหลวงพ่อทางนู้นถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นยังคอยโทรมาหาผมอันนี้เคคือหลวงพ่อเข้าไปหาหาหมอตาแต่ว่าสว่างไหมหลวงพ่อโอ้สว่างนะเออพอเข้าไปมันจ้าเข้าไปจนถึงจากะยี่นั่นแหละมันสว่างเกินไปมันขาวเกินไปเพราะงั้น มันมองเห็นอะไรถ้าใส่แว่นตาดำเข้าไปน่พอดีพอดีถ้าใส่แว่นตาขาวเนีย่ยมองไปที่ไหนนมันแสงสะท้อนเข้ามาหาตารู้สึกว่าตามันจะสว่างเกินไปยังรับไม่ได้แต่เดินไปบินทบาทน่ะก็เหมือนกับมีพยับแดดอยู่ข้างๆนะเขยางขยบเขยบบขยบคือความไม่ไม่ปกตินะ่อแต่ว่ามองมองดู มันไม่เหมือนตาปกติหรอกถึงใจสว่างก็ไม่เหมือนตาปกติ่าปกตินี่มันจะมองออกทั้งสองข้างได้ไกลนะแต่นี่มันเหมือนกับมีอะไรป้องๆตาทั้งสองข้างไปอยู่ม อ, มองไปทางทางหน้านะแต่มองเห็นได้ชัดนะแต่อ่านหนังสือเนี่ยก็ไม่ต้องใส่แว่นเริ่มไม่ใช้แว่นแล้วสัก3าวันเนี่ยจะเข้าโรคอ่าต่สัก7จั้งสิหวันไปว่าปกติอันนี้ก็คือที่เขา พูดให้หลวงพ่อฟังเอาบอกแนะนำวิธีการรักษาเขาไม่มีอะไรเพราะว่าเขาเปลี่ยนเลนใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งใช้มเวลาไม่นานไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะแต่ว่าลาคาลําคาลไม่มีไม่มีเพราะว่ามันแสงสว่างมันจ้าเข้าไปในตาเนี่ยอย่างมากๆเลยแต่เขาก็หยดน้าอยู่ตลอดในขณะที่เขาทำนะใช้เวลาเพียงข้างละ10นาที แล้วก็จบเนี่ยแหละวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็ตื่นขึ้นมาตามไม่จริงหมอขอกบไม่อยากจะให้บินธบาตแหะอาจารย์หมอเนี่ยที่เขาดูแลแต่ไม่ใช่หมอผู้ผ่าตัดนะอาจารย์หมอชนเทศเขาก็จัดอาหารมาให้เพื่อจะให้ฉันที่กุติแต่หลวงพ่ออก็คงไม่เป็นไรมั้งก็ห่างไกลกันอยู่หลวงพ่อก็ไม่ได้จัดอาหารหรอกมีแต่นั่งๆธรรมดา ให้พระจัดอาหารเสร็จแล้วหลูงพ่อก็ฉันอาหารแต่ว่าก่อนที่จะฉันอาหารก็เลยพูดยาวไปสักหน่อยเหมือนกันนะเนี่ยพอนานทีพวกเราจะได้พบได้เจอกันพี่น้องทางกรุงเทพฉันที่สวนแสงธรรมมืดฟ้ามัวดินคนโอ้เยอะไม่ขาดไปคิดเหมือนกันคนจะเยอะขนาดนั้นอาหารการบริโภคมากนี่แหละ แต่หลวงพ่อก็ได้พูดว่าคณะสัตยาติโยมนะหลวงพ่อไปทำทำตาไปทำตาเพิ่งเสร็จแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายข้างละหก0มื่นห0 0ืเกแต่ก็มีผู้ประวัณนาแล้วล่ะพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบว่าตาหลวงพ่อไน้่ยทำเสร็จแล้วค้างละหกหมื่น 9,000 บาทส่วนหนึ่งก็บอกให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ทราบว่ามีผู้ประวัลนาเพียงแต่เรียนให้พวกเราท่านั้งหลายได้ทราบแต่หลวงพ่อทำไมจึงมีค่าใช้จ่ายมากถึงขนาดนั้นทำไมทำแพงนักหลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วว่าหลวงพ่อได้ช่วยสงเคราะห์โรงเรียนบางโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ต่างๆ มากมายมากกว่าที่ใช้กับหลวงพ่อเองหลวงพ่อบอว่าอหังสุขิโตโหมิขอข้าไเย่ำจงเป็นสุขสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัพพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุกคําว่าสัตว์คํานี้ไม่ใช่ว่าสัตว์ติริชานช้างม้าวัวค ว, วายไม่ใช่นะคําว่าสัตตานี่คือวัาสัตตะแปลว่าอย่างคองอยู่ในภพในชาติตั้งแต่พรมลงมาแต่ท่านผู้ใดก็ตาม ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์นอกนั้นลงมาแปลว่าสัต์ตาทั้งหมดแปลว่าสัตว์ทั้งหมดแปล ว, ว, ว่าผู้ยังคล่องอยังคล่องอยู่ในภพในชาติจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตฏะสงสารไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอั น, นเรียกว่าสัตตาสัพเพสัตตาสุขีตาหนตุขอสัพพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขอันด แ, บบแรกก็คืออะหังข่าจงเป็นสุขอันที่สองคือสัพเพสัตตา เพราะนั้นเราให้แต่สัพเพสัตตาสงเคราะห์แต่โลกอย่างเดียวอาหังตัวเองก็ตาบอดคําหน้าคําหลังก็ไม่น่าจะถูกนะนศ้ทาทศาญาติโยมเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยให้อาหางส่วนหนึ่งแล้วก็สัพเพสัตตาด้วยเพราะนั้นในคราวนี้ครั้งนี้ก็ได้ให้ทั้งอาหังคือข้าแล้วก็สัพเพสัตตาขอสัพปสัตทางหลายจงเป็นสุขเพราะนั้นวันนี้คราวนี้จึงได้ ทำแว่นขึ้นมาแต่ถึงยังไงก็ขอบอกกล่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ทราบนะอันนี้แหละพอใส่แว่นเข้าไปตาสว่างแล้วหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าจะดีอกดีใจนะอันนี้เพียงแต่ว่ายมมาโูษมาเตือนมาเตือนเราจะตั้งอยู่ในความประมาทนะแกะแล้วนะอีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบนะอย่าไปฉลาดใจอย่าไปลืมตัวนะ อันนี้หลวงพ่อได้สำนึกนึกคิดไปอยู่เสมออย่างทรงพ่อเคยพูดเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องราวให้พวกเราจำง่ายสมัยหนึ่งมีตาแก่คนหนึ่งตายแบบกระทันหันแบบหัวใจวายตายพอตายแล้วก็ไปโผล่ไปหาทหารยมมาทูดเขาคนลากแขนไปไปหายมมาทูด แต่ว่าตะแก่เนี่ยแต่เหมือนกับเราไปต่างประเทศเราจะไปประเทศไหนมันก็เป็นช่องคล่องใครช่องคลองเราจะไปสู่สวรรค์หรือจะไปสู่นรกหรือจะไปเป็นเปรตหรือจะไปสัตว์ที่ระชานเป็นช่องคลองใครช่องเราแต่ตะแก่นี่โผล่เข้าไปไปทางต่ําคงจะไปทางนรกอะ่ะพอโผล่เข้าไปตกตะแก่ก็ไม่รู้ว่าโผล่ไปทางไหนแต่ขึ้นไปศาลซะก่อนเขาจะต้องมีนัยไพอไปเห็นย ม, มทูต ผู้วินิจฉัยคดีความแต่แกก็โมโหอยู่ในใจเพราะว่าตายไปแล้วไม่ได้บอกได้กล่าวไม่ได้เตือนซะก่อนไปถึงแต่แกก็ท่านยมมาโทษท่านทำกับผมไม่เป็นธรรมเลยนะท่านรู้ไหมก่อนที่จะพาผมมาเนี่ยท่านต้องเตือนผมซะก่อนบอกผมซะก่อนเออจึงจะถูกอันนี้นี่สินของผมมี ใินยกรรมผมก็ยังไม่ได้ทําให้กับใครเรื่องราวละไผมก็ไม่ได้สั่งลูกสั่งหลานสั่งใครต่อใครท่านเอาผมมาอย่างนี้เอามาได้อย่างไงแสดงว่าไม่เป็นธรรมกับผมเล ย, ยใช้อำนาจจนเกินไปอย่างน้อยก็ต้องบอกผมสะกร่อนสิก่อนที่จะเอาผมมาไอันนี้คือตะแก่ตะบันใสหน้ายมทมูดพะว่าตะแก่โมโหใช่ไหมแบบหัวใจวายตาย ยมวัฏทูดเขามีอำนาจเต็มใช่ไหมเขาตบโต๊ะเปี้ยงยดอย่าพูดพูดได้ยังไงเราเตือนไม่รู้กี่ครั้งเธอเองไม่ฟังเด้อด้านจะว่าเป็นเตือนได้ยังไงเอา้าท่านยมวโฏฏูดเตือนผมครั้งไหนผมไม่เห็นรู้นะี่ยฮะผมงอกที่หัวนั้นอายุเท่าไหร่ประมาณสี่สิบครับนั่นล่ละ จดหมายฉบับที่หนึ่งจบมาธุ์เขาบอกนะแล้วฟันรุดละ่ะฟันรุดแล้ฟันล่วงละ่ะอายุเท่าไหร่ประมาณห้าสิบต้นต้นครับนั่นละ่ะจดหมายฉบับที่สองแล้วตาฝ้าฟางล่ะเท่าไหร่ครับประมาณห้าสิบกว่ากว่านะครับนั่นละ่ะจดหมายฉบับที่สามเขาเตือนมาเรื่อยๆจนถึงหูตึงจนถึงหนังเหี่ยว หลังข้อมอายุถึงเจ็ดสิปีเราจะไม่ให้เขาเตือนได้ยังไงตัวเองดื้อด้านต่างหากไม่ฟังพอผมขาวขึ้นมาก็เอาสีมายอ้อมพอฟันหลุดขึ้นมาก็เอาฟันปลอมใส่เอาหูตึงเอาของมาใส่ให้หูได้ยินพอตาฟ้า ฟ, า, ฟางเอาใส่แว่นตาเข้าไปมีแต่หลงลืมตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะตายนี่แหละแสดงว่าดื้อด้านมากไป ทหารเอาไปลงนรกให้เข็ดจากนั้นทหารก็เลยล็อกแขดทั้งสองข้างไปลงนรกซะให้เข็ดเพรานั้นเะไไ่รู้จะไปล้มไหนกอไม่รู้แล้วแต่ไจุดแทบบาปกรรมแต่ดี้ไอหนุ่มคนหนึ่งนะยืนอยู่ทั้งหลังเลยตัวสั่งเหมือนกันนะนะพูดกับโยมบรรทุกนะท่านยมบรทูกครับคุณลุงคนนะั้นนะท่านเตือนจริงอยู่ครับ ผมก็เห็นด้วยครับแต่สําหรับผมเนี่ยอายุยังหนุ่มนะอายุเพียงยี่สิบกว่าเนี่ก็เอาผมมาแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้เตือนผมเลยครับไอ้ น, นี้ก็หาทางออกใช่ไหมล่ะแบบนักการเมืองนะยบมาทัวร์ก็โตบโตเปียงหยุดยาโพดนมเพื่อนของแกนะอายุเท่าไหร่ที่ตายไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมใช่ครับเป็นอะไรเป็นปอดบวมครับนั่นแหละเธอเป็นอะไร ผมตายวายครับนั่นแหละคําว่าเตือนคำนี้ไม่ใช่ว่าจะเตือนแบบเดียวกันในเมื่อบูเพื่อนอยู่ใกล้กันตายกันน่าจะน้อมนำลาลึกถึงว่าอีกสักวันหนึ่งเพื่อนของเราก็ตายอีกสักวันหนึ่งถ้าจะต้องตายจะต้องประกอบคุณงามความดีมันจึงจะถูกไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนตายอะไรก็ไปหากินเหล้าไปเล่นไฮโลในงานศพของเขาไม่คิดไม่อ่านว่าตัวเองจะตาย นี่แหละมันเตือนไม่ใช่เตือนแบบเดียวกันเอาถ้าเธอยังไม่ได้ทําบาปกรรมอะไรมากไปไปหาเกิดต่อไปอย่าอย่าลืมตัวนะอันนี้แหละคื อ, อยมมาโทษเตือนะจากนั้นตาแก่ก็เลยมาหาเกิดเกิดแล้วจะลืมตัวอีกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนะ่ยโยมมาโทตเขามีจดหมายกี่ฉบับแนละ้มาหาพวกเราให้พวกเราดูตนเองก็แล้วกั น, นเลยนอ่ กีฉบับแล้วโยมมาทูตเตือนมาพะนก่อให้พวกเราทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมให้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้นะอารับพรอนุโมตนาให้พร